ที่สำคัญมากเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหมายความว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อการทํากิจทุกชนิดรวมทั้งการทําความดีทุกประการด้วยธรรมที่ว่าเนี่ยมีแค่2 อ, อย่าง1สติ2 ส, สัมปชัญญะสติเนี่ยเรา แปลงง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแต่จริงสติเนี่ยทำได้มากกว่า น, นั้นนะไม่ใช่แค่ระลึกได้อย่างเดียวแต่ช่วยกำกับจิตให้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะทำด้วยมือหรือว่าใช้ความคิดซึ่ง ทำให้กลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํากิจการงานต่างๆ <_ d ata> ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยสติเนี่ยเป็นสิ่งจําปรารธนาในที่ทั้งปวงแต่ง่ายๆว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือสําคัญสําหรับการทํากิจทุกกรณีไม่ว่าอยู่ที่ไหนทําอะไร สตินี่ก็สำคัญมากและสติเนี่ยก็เพื่อเพือให้เกิดความรู้สึกตัวหรือสัพพัญญะเพราะถ้าว่ามีสติทำอะไรเนี่ย mm hmm. ก็จะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าสติเนี่ยช่วยกํากับจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันไม่ว่าจะเป็นล้างจานขับรถหรือว่าทำการงานต่างๆค้าขายประชุมหรือว่าสนทนาพูดคุยเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัว และการที่เราจะรู้เนอรู้ตัวได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติพระสติเนี่ยช่วยกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งที่กาลังทำาถ้ามีทั้งสติและธรรมชัญญาเนี่ยแม้กระทั่งการรักษาศีลก็ทำไม่ได้นะเพราะแม้จะตั้งใจรักษาศีลแค่ศีลหแต่ถ้าหากว่าถูกยั่วยุหรือย้าวยวน จนลืมเนื้อลืมตัวหรือขาดสติก็อาจจะผิดสีงข้อที่หนึ่งไม่ใช่แค่ทำร้ายเขาโดยโทสะแต่อาจจะถึงกับทำให้เสียชีวิตอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นสัตว์แม่เล็กน้อยเพียงใดก็ตามหรือว่าถ้าทนความเยาวหยิ่ไม่ได้ก็ผิดสีข้อที่สองข้อที่สาม เดือมหน้ายของโลภะหรือราคะอันนี้ก็เรียกว่าเพราะว่าไม่มีสติช่วยยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้านทานแรงดึงดูดที่มันยั่วยุแล้วก็เยายวนส่วนใหญ่เนี่ยคนผิดศีลเนี่ยนะก็เพราะว่าความถูกความโลภถูกราคาถูกโทสะครอบงำ ในภาวะเช่นนั้นก็เรียกว่าลืมตัวไม่รู้เนะืรู้ตัวก็คือไม่มีสัพชัญญะซึ่งก็เพราะว่าไม่มีสติเป็นเบื้องต้นสัพปพปัญญะเนี่ยความรู้ตัวเนี่ยในแง่หนึ่งท่านก็อธิบายว่าหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่ใจเนี่ยอยู่กับ เ, เนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เพราะมีสติไม่ปล่อยให้จิต มันไหลลอยไปตามความคิดหรือว่าไหลลอยไปตามความคิดหรือจมอยู่ในห่วงอารมณ์ก็มีสติพากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวหรือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวความหมายหนึ่งก็คือว่ารู้ตัวเวลาทำกิจการงานต่างๆ นะไม่แช่เชิญไม่คลาดเคลื่อนเทเลททะไหลซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยนะเราก็อาจจะทําอะไรต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ลืมไปเลยนะว่ากําลังทําอะไรอยู่เช่นกําลังขับรถกลับบ้านเนี่ยนะเกิดมีรถคันหนึ่งปาดหน้าเนี่ยโมโหไล่ตามเลยนะไล่ตามจะไปเอาคืนลืมไปเลยนะว่ากําลังจะรีบกลับบ้าน เพราะว่าแม่ไม่สบายเพราะว่าลูกป่วย ต, ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่จาจะรีบกลับบ้านแต่ตอนนี้คิดแต่ว่าจะไล่ล่ารถที่มาปากทำไมถึงท ำ, ทำางบนั้นก็เพราะลืมอันนี้ว่าไม่รู้ตัวในการทำกิจเหลอไปทำสิ่งอื่นแทน หรือว่ากำลังประชุมนะเพื่อเจราจาลูกค้านะเสนอขายสินค้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยกับพูดยียวนกวนประสาทหรือว่าพูดวิพากษ์วิจารณนะ์ก็เลยเกิดโมโหโต้เถียงเขาคิดจะเอาชนะเขาบางทีก็ถึงกับทะเลาะเขาเลยตอนนั้นลืมไหมนะว่าเนี่ย นาเชียงเราหรือว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเนี่ยก็เพื่อชักชวนให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือว่าเห็นคล้อยกับคาแนะนำของเราอันนี้เราลืมไปเลยหรือว่าขณะกำลังนั่งฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะแต่ใจลอยไปนึกนะวางแผนไปเที่ยวแล้วมานั่งตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาฟังคำบรรยา ย, น, ยนี่คือวัตถุประสงค์ แต่ว่าพอลืมตัวก็ไปคิดถึงเรื่องโน้เรื่องนั้นแทนอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวในการทํากิจหรือการทําหน้าที่คำทำํำก็หน้าที่นี่ก็กหมายถึงทุกอย่างที่เราทำอาบน้ําถูฟันกินข้าวฟังทำประชุมขับรถนะเวลาเราทําสิ่งเหล่านีเน้เราก็ต้องมีเป้าหมายแต่บางทีเราก็ลืมเป้าหมายไป อย่างที่เคยเล่าพ่อค้าเนี่ยหน้าที่ของพ่อค้าหรือกิงของพ่อคือขายของให้กับลูกค้าแต่มีลูกค้าคนหนึ่งมาเดินดูของของเราเสร็จแล้วก็ไปที่แผงอื่นไปร้านอื่นพอถามราคาดูสินค้าเสร็จก็กลับมาที่แผงเดิมแต่ซื้อแล้วเขานี้ แต่ก็คันนี้เจ้าของไม่ยอมขายบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปดูแผงอื่นมาแล้วทําไมจะมาซื้อแผงของฉันอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะไม่รู้ตัวในการทํากิจเพอะโกโรธนะโกโรธที่เขาเนี่ยเหมือนเฉยแผงของเราไปสนใจแผงอื่นและพอรู้ว่าแผงอื่นเขาสินค้าหรือผลไม้คุณภาพไม่ดีเท่าเรา เท่าของเราหรือขายแพงกว่เราครัน้นี้จึงมาหามาหาเราไม่ขายอันนี้เราทาด้วยความโกรธทำด้วยความไม่พอใจอย่างที่เราไม่รู้ตัวนะและที่ไม่รู้ตัวนี่ก็เพราะว่าปล่อยให้อารมณ์โกรธมันครอบงำนี่นเห็นได้ว่าความรู้ตัวเนี่ยมันมันครอบคลุมกว้างขวางทีเดียวนะรวมทั้ง สติด้วยอันนี้สติกับสัมปชัญญะหรือสติความรู้ตัวมันก็เกื้อกูลกันนะแล้วเป็นพี่น้องกันฝาแฝดกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจไม่ลอยไม่หลงหรือว่าเวลาใจลอยใจหลงไปไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างหลงไปความคิด สติก็เห็นความคิดขึ้นมาหรือเกิดได้สติขึ้นมาสติมก็พาจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กาลังทำหรือว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้รตัวขึ้นอย่างเราสังเกตได้ในี่เวลาเดินตรงกลมแล้วใจมันลอยขณะที่เดินลอยไปไหนนะลอยไปกับความคิดคิดโน่นคิดนี่ แต่เราอยู่ดีนึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นแหละนะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเลยใจที่มันไหลไปดีลอยไปเนระาค่อมันกลับอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับการเดินรู้สึกตัวเลยนะว่ากำลังเดินอยู่แล้วก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้านะกายเท้าที่เดินกายที่ขยับ ตรงนั้นแหละเรียกว่าความรู้ตัวและถ้าหากว่าสติเนี่ยนะทำงานได้สม่าเสมอรวดเร็วฉับไวรู้ทันความคิดได้เร็วเปิดเปื้องจิตออกจากอารมณ์ได้ไวสิ่งที่ตามมาในสู่คือความสงบนะที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้รู้ในที่นี้คือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ ไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้คือไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบพอไม่มีอะไรกระทบจิตก็เลยนิ่งแต่ถ้าาว่าเรามีสติเนี่ยแม้จะมีการกระทบและใจก็เพื่อมนะแต่ว่าสติก็ทำให้ใจเนี่ยกลับมาเป็นปกติหลุดจากความคิด พ้นจากอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นจิตก็ว่างว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์สิ่งที่ตามมาคือความสงบพระพุทธเจ้าเนี่เคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยเหมือนกระบวัวตัวหนึ่งมันชอบเดินเพ่นพ่านเจ้าของเนี่ยอยากจะให้มันหยุดพฤติกรรมนี้นะก็เลยเอาเชือกผูกมันไว้กับหลักหรือเสา วัวมันก็จะเดินรอบรอบเสา ร, รอบรอบหลักเดินไปรอบรอบสักพักสุดท้ายมันก็จะนอนหรือนั่งนิ่งๆแล้วมันจะไม่เดินเพ่นพ่านแล้ววัวนี่ก็เปรียบเหมือนกับจิตนะส่วนเชือกเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติส่วนหลักนี่ก็เปรียบเหมือนกับอารมณ์นะที่ใช้กากับใช้กากับจิตนะ อาจจะเป็นเอเรียบทนะการเคลื่อนไหวการยกมือหรือว่าอาจจะเป็นลมหายใจก็ได้พอใจเรากำหนดสิ่งใดพอใจและกำหนดอยู่กับสิ่งใดเนี่ยถ้ามีสติช่วยกํากับให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นมันก็จะเกิดความสงบแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสติเนี่ยมันช่วยทำให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ ทำให้จิตหลุดจากอำนาจของความคิดละอารมณ์กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะเรียกนี่คือความระลึกได้ก็ได้นะคำ ว, ว่าระลึกได้เนี่ยเรามักจะหมายถึงหรือเรามักจะเข้าใจหมายถึงระลึกได้ในสิ่งที่เป็นอดีตในสิ่งที่ผ่านไปแล้วในเรื่องราวที่เราเพิ่งอ่ทุเรเรื่องราวที่เราเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารที่เราเคยรับรู้ และบางครั้งเนี่ยความระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยการตั้งใจสักหน่อยเช่นถามว่าเนี่ยเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรเนี่ยก็ต้องนึกสักพักแล้วก็จะระลึกได้ว่าอ๋อกินข้าวกับไก่เจียวกินข้าวกับผักปุ้งกินข้าวกับไข่อะไรก็ว่าไปการระลึกได้เนี่ยต้องอาศัยสติสติเป็นตัวดึงเอาความจํา หรือข้อมูลในหัวออกมาสู่การรับรู้ของจิตแต่นั่นเป็นเรื่องของความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นอดีตนะอาจจะระลึกถึงข้อมูลข่าวสารที่เราเคยเรียนมาแล้วเอามาใช้ในการทำงานแต่ความระลึกได้ที่สำคัญเนี่ยที่เรามาฝึกกันที่นี่คือระลึกได้ในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรามักจะหลงลืมนะ สังเกตได้เนี่ยเวลาเราเดินตรงกรมสร้างจังหวะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลืมนะขณะที่เดินขณะที่กำลังนั่งว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าใจเนี่ยมันหลงไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์ต่างๆหรือจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆแต่แล้วเนี่ยเราก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคือปัจจุบัน อย่างตอนนี้เนี่ยนะใจลอยเสร็จ แ, แล้วนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังฟังธรรมอยู่ก็กลับมาตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของสติและเป็นสติชนิดพิเศษที่เราเรียกว่าสัมมาสติส่วนสติที่ใช้ในการระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วนึกขึ้นมาได้หรือจำได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้านะหรือว่าเมื่อเช้าตมาพูดเรื่องอะไร ไอ้การระลึกนึกขึ้นมาได้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นสามัญสติหรือสติสามัญซึ่งก็มีประโยชน์นะแต่ว่ายังไม่สำคัญเท่ากับสัมมาสติคือความละลวาะ ร, จจารามมละลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าเราไม่มีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเผลอนะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวอย่างที่พูดเนี่ย เมยุคตัวอย่างเมื่อสักครู่ขับรถจะกลับบ้านแต่ว่าพอรถปาดหน้าโมโหไล่ตามไล่ตามรถคันนั้นลืมไปเลยนะว่ากำลังจะรีบกลับบ้านถาว่าไม่มีสติที่ถ้าไม่มีสัมมาสติที่ไวพอกว่าจะรู้ตัวนะว่าเผลอไปแล้วพลาดไปแล้วกว็จะตามเขาเย็นถึงโน่นปากน้นะําทั้งที่ตั้งใจจะกลับบ้านอยู่แถวพระรามสี แต่ถ้าเรามีสติไว้นะไล่ตามไปได้สักพักก็นึกขึ้นมาได้นะว่าไอ้นี่เราจะกลับบ้านเราจะรีบกลับบ้านไม่ใช่ ห, หรือหรือว่ากำลังเถียงกับลูกค้านะที่เข้ามาพูดจากวนโทรศัพท์กำลังจะทะเลาะ ก, กับเขาอยู่แล้วเสริญนึกขึ้นมาได้ว่าไว้หน้าเชียงเราที่มาประชุมวันนี้ก็เพื่อจะชวนเขา หรือชักชวนให้เขาคล้อยตามเห็นด้วยกับความเห็นของเราคาแนะนาของเรากับสินค้าของเราเราก็จะเปลี่ยนท่าทีนะอันนี้ต้องอาศัยสตนะิคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะไม่งั้นใจก็จะไหลไปลอยไปกับอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วถ้าเราจเจริญสติได้สม่าเสมอ สติเราก็จะโตจะไวจะเข้มแข็งแล้วก็ทําให้เรามีความรู้เนื ร, รู้ตัวมากขึ้นนี่เวลาพูดถึงความรู้ตัวเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะหานะพยายามที่จะหาและด้วยความปรารถนาอยากจะรู้สึกตัวชัดๆบางทีก็ไปเพ่งหรือไปบังคับจิตไม่ให้ไปไหนบังคับจิตให้อยู่กับเท้าบังคับจิตให้อยู่กับมือให้อยู่กับแขน มันจะได้ไม่หลงไม่ลอยไปกับความคิดอันนั้นมันไม่ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกตัวนะเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยอย่างที่บอกนะความรู้สึกตัวมันทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมรวมถ้าเราเอาจิตไปเพ่งที่ท้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเพ่งที่ท้องเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกตัวเฉพาะจุดมันเป็นความรู้สึกเฉพาะจุดซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตและเราก็ปกติก็ไม่ได้ทาอย่างนั้น ความรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วที่เราจะรู้สึกตัวนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไปแสวงหาเพราะมันมีอยู่กับตัวอยู่แล้วถ้าใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะรู้สึกรวมรวมนะเวลาเรามองใครเนี่ยเราก็ไม่ได้มองเฉพาะจุดไม่ได้หรอ เรามองหน้าเขาเราก็มองรวมๆไม่ได้มองที่ไม่ได้ไปเพ่งหรือโฟกัสที่ตาที่จมูกที่ปากเราเห็นหน้าเขารวมๆบางทีเห็นทั้งตัวเราก็รู้ว่าเป็นใครกาลังคุยกับใครเวลาเราดูภาพโฆษณาบนจอโทรทัศน์หรือว่าบนป้ายโฆษณาเนี่ยเราก็ดูรวมๆนะ แล้วเราค่อยมาสนใจดูเฉพาะจุดแม้แต่เวลาเราฟังใครพูดใครคุยเนี่ยเราก็ฟังรวมๆถ้าเราตั้งใจฟังเฉพาะคานี่นะบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ที่เราฟังรู้เรื่องเพราะเราฟังรวมๆอันนี้เป็นธรรมชาตินะของการรับรู้ของของคนเราเช่นเดียวกันความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้ว พอเพียงแต่ว่าพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อ ก, กับตัวก็แล้วกันซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติวิธีการจดสติเนี่ยนะเราก็ฝึกให้มารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันให้เราสังเกตนะเวลาที่ใจราลอยคิดโน้นคิด น, น, ดนี่แล้วจู่ๆมันเกิด รู้ขึ้นมาเราลึกขึ้นมาได้ว่าเรากาลังเดินอยู่ตอนนั้นอาจจะคิดไปแล้วสิบเรื่องแต่พอถึงเรื่องที่สิบเนี่ยกาลังจะคิดเกือบจะจบอยู่แล้วมก็เราลึกนึกขึ้นมาได้ว่ากาลังเดินอยู่ตอนนั้นแหละนะที่ความรู้สึกตัวจะกลับมาหรือจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเพราะว่าจิตมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือความรู้สึกตัวให้จาช่วขณะนั้นหรือโมเมนต์นั้นเอาไว้ ว่าตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรนะและสิ่งที่เราพยายามทําคือทําให้เกิดช่วงขณะนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันไม่นช่วงขณะที่มันเกิดขึ้นเองความระลึกได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนึกซึ่งต่างจากการนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะนึกว่า ระลึกนึกได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าจะมาพูดเรื่องอะไรอันนี้มันต้องอาศัยความตั้งใจแต่ว่าความระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรในปัจจุบันเนี่ยมันมันนึกขึ้นมาได้เองและพอนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันมันโล่งเลยนะมันหลุดเลยนะจากความคิดและถ้าตอนนั้นจมอยู่ในอารมณ์แล้วเกิดรู้สึกเกิดได้สติขึ้นมาเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์เลยมันจะเบา นั่นแหละคือเพราะว่าความรู้สึกตัวซึ่งเราไม่ต้องไปหาที่ไหนขอเพียงแต่มีสติระ ล, ลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันหรือว่าขอเพียงแต่สติพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาและสิ่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราพยายามทำไม่ได้ได้วยความจงใจนะแต่ว่าให้โอกาสกับสติได้ทำงานโดยการเดินไป เดินจงกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับไปกลับมาแต่ก็จะไปจำกัดตัวอยู่ที่การเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะทำอะไรก็ตามแม้จะเดินออกแม้จะไม่ได้อยู่ในลานจงกรมแม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะจะเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าถูฟันนะก็ให้มีสติซึ่งก็หมายความว่าเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้น ใจอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยเลยนะไม่ใช่อยู่แบบครึ่งคึกลางๆงหรือแบบอยู่แบบ50 50อาบน้าไปด้วยคิดไปด้วยวางแผนไปด้วยอันนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เต็มร้อยในการจรุลสติเนี่ยนะเราก็มาฝึกให้รู้กายก่อนรู้กายคือว่าให้มารู้สึกว่าหรือมารู้ว่ากายกำลังทำอะไร เดินก็รู้สึกว่าเดินรู้สึกนี่ไม่ใช่ feeling นะอันนั้นมันเป็นเวทนารู้สึกในที่หมายขึง sensation คือความรู้สึกทางกายว่ามันมีการเดินมีการขยับขยื่อนใหม่ๆนี่ก็ต้องเอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายคือเรียกว่าเอากายมาเป็นฐานหรือว่าใช้ฐานกายเป็นสิ่งสร้างสติแต่ไม่ใช่ไปเอาจิต ไม่ใช่เอาจิตไปแน่นดนอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้จิตเนี่ยแค่รับรู้กายรับรู้รวมรวมก็ถ้าเอาจิตไปอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็จะไม่รู้สึกรวมรวมหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าอาจิตไปอยู่ที่เท้าเนี่ยบางทีกับพิษตากลืนน้ำลายก็ไม่รู้ไม่รู้สึกแต่ถ้าเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับกายแบบ สบายๆรวมๆเนี่ยไม่แนบแน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลุดลอยเกินไปมันก็จะรับรู้ถึงการความเป็นไปของกายได้อันนี้เรียกว่าเอากายเป็นฐานหรือจะเรียกว่าให้จิตมีงานทำก็ได้เพราะว่าถ้าจิตไม่มีฐานมันก็เหมือนกับคนไร้บ้านมันก็จะเละล่อนเฉลเชื่ถลายได้ง่ายต้องหาฐานหรือหาบ้านให้ใจ แล้วขณะเดียวกันก็หางานให้เขาทาก็คือให้มารับรู้ว่ากายกําลังทําอะไรเพราะถ้าใจไม่มีการทําเหมือนจะไปคิดโน่นคิดนี่นะนะจะคิดโน่นคิดนี่เหมือนกับยักษ์เนะี่ยที่อาจารย์สนใจว่าไว้เมื่อวานก่อนต้องหางานให้ยักษ์ทำถ้าอย่ยักษ์ไม่มีงานทําเดี๋ยวมันก็จะอารวาดนะ แต่ว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ยากอะไรก็แค่มารู้กายว่ากายกำลังทำอะไรเพื่อให้ใจเนี่ยไม่ไปคิดฟุ้งปรุงแต่งต่า ง, า ง, างนนๆนานาแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราเอากายเนี่ยมาเป็นฐานของใจเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับเอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจมันต้องการบ้านและบ้านของใจก็หมายถึงบ้านที่ มันมีอิสระที่จะมาและจะไปได้ถ้าไม่ให้ใจถ้าบังคับใจให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เช่นมาอยู่กับกายกายนี่ไม่ใช่บาระกายเป็นคุกคนะอย่าให้กายเป็นคุกของใจเพราะถ้ากลายเป็นคุกของใจมันจะหนีมันจะแหกนะถ้าเราบังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ยนั่นก็กคือกำลังทําให้กายเนี่ยเป็นคุกของใจแต่ถ้าเราทําให้ทําให้กายเป็นบ้านของใจเนี่ยก็หมายความว่า มันมีอิสระที่จะมาแล้วจะไปได้แต่ถ้าหาว่าใจเนี mm. <im <im claro> ่ยร <uh> ู <k <k ้ว่าเนี่กายเป็นบ้านเนี่ยได้มีอิสระที่จะไปที่จะมามันก็จะพอใจที่จะอยู่กับกายมันก็เด็กวัยรุ่นนะถ้าหาว่าเขารู้ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คุกเขาก็อยากจะอยู่บ้านแต่ถ้าเขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันคือคุกพ่อพ่อแม่บังคับทุกอย่างเลยเนี่ยเขาก็อยากจะแหกออกจากคุกไม่อยากกลับบ้านอยากจะจะกลับก็ต้องดึกดึกดินๆ หรือไม่ก็หาเรื่องเที่ยวเตร3สามสี่ห้าวันกับทีเพราะเขารู้สึกว่าที่นั่นไม่ใช่บ้านแต่คือคุกแต่ถ้าเขาสื่อว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่เขามีสละเขาก็อยากจะอยู่ใจก็เหมือนกันนะทำกายให้เป็นบ้านของใจจะมาก็ได้จะไปก็ได้แต่ว่าเราก็จะอาศัยสตินี่ามาเชิอชวนเกี่ยวกอมให้ใจนี่กลับมาอยู่บ้าน คือกลับมาอยู่กับกายรู้เนื้อรู้ตัวและต่อไปเนี่ยพอมารู้กายเนี่ยไม่นานก็จะคล่องแคล่วในการรู้ใจคือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะพาจิตเนี่ยหลุดออกจากความคิดและอารมณ์กลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วทําให้เราพบกับความสงบได้พบกับความโปร่งเบาทําอะไรก็ทําได้อย่าง มีสติได้ผลนะไม่หลงลืมนะไม่ละเลยในเป้าหมายที่ได้มุ่งเอาไว้